m.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 ไม่ปล่อยให้มันเพ่นพ้านหรือว่าทิ้งเรื่ยราดเนะมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความสึกตัวขึ้นมานะจิตก็จะมีความโปร่งเบาเบาเพราะว่าวางนะเรื่องอดีตวางเรื่องอนาคตแลาก็ไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆ การที่ใจมันจะกลับมาอยู่ ก, กับตัวได้หรือการที่จะเก็บใจให้อยู่ ก, กับตัวหรือเก็บความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องได้นี่มันต้องอาศัย ส, สติเพราะว่าสติจะช่วยทำให้เรารู้ทันเวลาเผลอไปเวลาใจลอยไปอดีตไลไปนาคนเนี่ยก็มีแต่สตินะที่จะช่วยดึงจิต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 อันที่สี่ก็คือตามดูรู้ธรรมการทำในที่นี้ไม่ใช่ทำมารบปอย่างเดียวนะมันหมายถึงการที่เห็นองค์ธรรมต่างๆเช่นพิจารณาจนเข้าใจเรื่องขันท่านิวรท่าอริยสัจสี่ 4, อายตนะสิบสองโพชฌงเจนะ็ดเป็นต้น คือมองเวลาเห็นทำเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถเทียมมองออกมานะเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เข้าใจนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยนะการปฏิบัติที่พัฒนานะสักหน่อยเนะี่ยแต่ใหม่ๆเราก็เริ่มต้นที่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 จะมีเสียงโทรศัพท์ดังเสียงผู้คุณเวิกวกวักวกเวิกโ ว, ว, กวยวายเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่สะดุง้งอันนี้เรียกว่ามีสติในเวลายกมือเนี่ยก็ให้รู้นะให้รู้ว่ามือกำลังยกแต่ไม่ใช่เอาจิตเนี่ยไปเพ่งอยู่ที่มืออยากจะรู้ชัดๆก็เลยเอามือไปเพ่งที่เอาก็เลยเอาใจไปเพ่งที่มือ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 เวลาใจลอยก็ไปบังคับจิตหรือว่าไปห้ามความคิดเวลาเราไปพยายามห้ามความคิดเนี่ยเราก็จะกลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวแลส่วนใหญ่ไม่สังเกตนะเวลาไปไปเบรกไปห้ามความคิดเนี่ยมันจะกั้นลมหายใจแลวทำ บ, บ่อยๆเนี่ยทาทั้งวันเนี่ยก็จะรู้สึกหน้า ม, มืดวบึงเวียน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 ทำให้เราปฏิบัติด้วยอาการหน้าดาำขมเคร่งในการปฏิบัติต้องทำด้วยใจที่ผ่อนคลายคนที่เก็บอารมณ์เนี่ยนะทาไปทําไปเนี่ยจิตมันจะเริ่มนะจิตมันจะเริ่มมีความคิดที่จะเอาชนะให้ได้แล้วก็จะทำด้วยอาการหน้าดาำขาเคร่งปฏิบัติเข้มข้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องทำด้วยหน้าดาำขาเครง่งนะ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 นะต้องให้รู้จักต้องให้รู้จักทําด้วยการที่ผ่อนคลายเวลามั็นขําเคร่งขําเครียดหรือว่าซีเรียสเนี่ยนะต้องขยันนะขยันรู้ว่านิจใจเรากหลังเนเป็นอย่างนี้แล้วเวลามันลิงโลดดีใจก็รู้เวลามันหงุดหงิดหน้าดำขําเคร่งเครียดก็รู้ ไม่ใช่สร้างจังหวะทั้งวันแต่ว่าไม่รู้ทันใจที่กาลังเครียดใจที่กาลังหงุดหงิดอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะหรือว่าเรียกว่ายกมือฟรีๆอนะะไปติดที่รูปแบบนะหลายคนไปเหี่นปฏิบัติไปก็จะติดที่รูปแบบคือก็จะยกมือก็จะสร้างจังหวะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจุดจมุ่งหมายว่าในการยกมือ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 จีวรเนี่ยข้าท่านยังไม่ไม่อยากจะซ่อมไม่อยากจะเย็บเลยเพราะว่ามันจะรบกวนการปฏิบัติสแต่สุดท้าท่านก็ต้องหยุดนะเพื่อที่จะมาปะชุนจีวรให้ตอนที่ปะชุนจีวรท่านก็รีบทํารีบทำหลวงปู่กินีเท่านสังเกตก็เลยถามว่าท่านชาฉันจะรีบร้อนปะชุนจีวรไปไปทําไม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 ท่านลูกกินเนรีบอร์เนี่ยความอยากมันท่วมหัวแล้วท่านยังไม่รู้เรื่องของตนอีกนะการเย็บจีวรหรือการทำกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็เป็นภาวนานะอันนี้ผู้ที่เก็บอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเข้มข้นก็ต้องนะเข้าใจอันนี้ด้วยจะได้ไม่รู้สึกว่าจะต้องทำแต่รูปแบบเท่านั้นนะ